สนาแผ่นที่75าลำดับที่เจโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่18กรกฎาคม2 5ง8มีชื่อเรื่องว่าไม่เคยลืมเพื่อน วันนี้เป็นวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2558ันรวันพวกนี้เป็นวันที่19พวกเราจะได้มีการบวชพระรอดแรกคือบวชวันอาทิตย์ที่19แล้วก็ชุดที่สองกจะบวชวันที่25อาวันเสาร์ที่25จะบวชพระอีก รอบที่สองแต่วันพุงนี้ทราบว่าจะมีการบวช9องค์แต่วันที่25วันเสาร์ที่25่สเป็นงวดสุดท้ายจะเป็นกี่องค์เราจะรู้ได้วันนี้ล้วว่าเรารับนากนาคจะเข้ามาตามกำหนดกฎเกณฑ์ไหมแต่ทราบว่าแต่ลุงพ่อมาบอกคืนมีอยู่สองไม่พร้อมคนหนึ่งก็บอกว่าแม่ป่วย คนหนึ่งก็บอกว่าพ่อแม่อยากจะให้บวชอยู่ใกล้บ้านที่ก็มาบอกกับหลวงพ่อนะห <c oughs> ลวงพ่อไม่ว่าเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงไม่ได้บันทึกนาคที่เข้ามาบวชทุกคนหลวงพ่อจึงไม่ได้ลงบันทึกประจําวันเอาไว้เพราะว่าอาจจะมีการเบี่ยงไปเบี้ยวมาความไม่พร้อมของนาคเพราะนั้นหลวงพ่อจึงถือว่าวันที่สิบแปดนาคมาครบ มานาคมากี่คนกี่ท่านที่จะมาบวชหลวงพ่อจะนับวันที่18ถ้ทานเลย่นนั้นไปไปว่าผิดสัญญ า, าผิดสัญญาที่เราให้ไว้ท า, ามาอีกเราก็คงจะไม่รับเป็นเสียจแต่จำเป็นจริงมีเหตุผลแล้วก็พร้อมที่จะท่องเอาสาหังได้คล่องเหมือนกับโม เ, เราจึงจะรับถ้าไม่ท่องไม่ได้ไม่รับ เพราะว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ของหลวงพ่อนะไม่ใช่ของหลวงพ่อพอจะยืดจุนได้ เ, เป็นของพระพุทธเจ้าที่ท่านรักษากฎระเบียบมาโนมนานแล้ว เ, เรามาจะทําให้เสียกฎระเบียบพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านะเป็นเราเป็นผู้ทําลายเอง เ, อเป็นผู้ไม่เคารพในหลักพระธรรมวินัยเองนะก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะเพราะนั้นเราต้องทุกองค์ถือว่าพระพุทธ ศาสานาหรือศาสนาธรรมคําสอนเล่ห์วกฎระเบียบของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนจะต้องเชิดชูบูชาจะต้องให้ความเคารพ ก, กฎกติกานั้นอย่างเคร่งครัดนะตาคนนั้นก็นย้อนบ้างคนนี้นก็ย้อนบ้างต่างคนต่างหย้อนย้อนไปหย้อนมาก็เลยหมดศาสนาก็เลยหมดจากพวกเราไปเพราะฉะนั้นพวกเราที่ มาอยู่จุดนี้ล้วก็พยายามรักษาาอยจะให้บอบช้ำด้วยนะ้ำมือของเราสรุปแล้วนะอย่าให้บอบช้ำด้วยความประพฤติด้วยความคิดของเราด้วยความประพฤติของเราหรือว่ากลุ่มของเราพวกเราต้องคิดนะถ้าใครขาดตุกปกพ้องย่อหย่อ น, น้ะกอด น, นรกไม่เต็มง่ายอย่างที่หลวงปู่จามพูดนะเพราะนั้นขอให้พวกเรา พระเนรทุกองค์นี่ยที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิบเจดนาคก็ถือว่าเป็นญาติโกโหติกาเป็นญาติกันมาแต่ในอดีตชาติถึงจะมาพบมาเจอกันได้มาบำเพ็ญคุณงามความดีเป็นเพื่อนกันแต่ถ้าหากว่าเข้ามาแล้วคอมเมนตกันอันนั้นไปว่าคู่อริตรูมาเจอกันพอมาเจอกันกันอะไม่ไว้กัน ทะเาวอกแวงกันนั้นแปนว่าอริศัตรูเก่าที่มาเจอกันพวกเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเข้ามาก็ควรจะเป็นมิตรเป็นสหายมาเพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีมาเพื่อสั่งสมบุญกุศลต่างคนก็ต่างมาต่างคนก็ต่างมาสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราต่อไปภายภาคหน้ า, เ, าเมื่อเราอยู่ในศาสนาได้ก็เป็นสหธรรมมิตรนานเท่นาน้นเป็นหลงปูหลงตา เราบวชมาในสำนักของหลวงพ่อนาคําน้อยดูด้วยกันแล้วก็เป็นหลวงปู่หลวงตาพึ่งพาอาศัยกันมีอะไรก็เมตตาสงเคราะห์กันต่อไปในอนาคตแต่ถาว่าพวกเราบวชเข้ามาแล้วอยู่ไม่ได้ในศ า, า, าสนาได้ลาสิกขาลาสิกขาไปแต่ทึ้ยังไงก็ได้รับการอบรมแนะนําสั่งสอนจากหลวงพ่อไปคุณธรรมศีลธรรมก็คงจะมี ความเป็นศีลธรรมจริยธรรมติดหัวเหมือนกับจั ก, กจรจันทรม์มีทองคำติดหัวนิดหน่อยอยู่ในหัวจั ก, กจรจันทร์อันนี้ก็เหมือนกันนะพวกเราก็มาบวชแล้วก็มาบวชในวัดของหลวงพ่อพอสึกออกไปแล้วก็เออยังมีเห็นโทษในการที่หลวงพ่อได้สอนยังไงไม่ให้ดื่มละสุราไม่ให้ดื่มเหล้า แล้วไม่เสพยาเสพติดการพนันทั้งหลายทั้งปวงอบายยามุกหลวงพ่อของเราสอนให้มีศีลห้าให้เคารพศีลห้าถึงจะรักษาศีลห้าไม่ได้ก็ให้เคารพในศีลในศีลห้านั้ น, นถ้าพวกเราออกไปเป็นฆราวาสก็เข้ากันได้เพราะพวกเราได้ฟังได้ศึกษาจากหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ไม่ใช่พูดเพียงสมเดือนหลวงพ่อก็มอบ mp 3ให้เอกหนังสือธรรมะให้เอกพวกเราเอาไปฟังเอาไปศึกษาอีกถ้าผูกผู้เข้ามาใยในการศึกษาใยในการเรียนรู้นะเพรา ะ, ะนั้นขอฝากไว้กับคณะทาญาทโ ย, ยมพระเนรลูกหลานนาคทุกคนเนะเข้ามาบวชในคราวนี้่าวนี้ครั้งนี้ก็มาเพื่อสังสมบรตมีมันติดภพติดชาตินะถ้าทำไม่ดีก็ติดภพติดชาติถ้าทาดีก็ติดภพติดชาติอย่างท่านพระอนุรุธเถระนะ สมัยหนึ่งท่านเกิดมาเป็นทุกขกกะตานะเป็นคนเกี่ยวยากขายเป็นคนเกี่ยวยากขายจนมากมีแต่สองผัวเมียแต่ก็มีน้ำใจแล้วก็พระประเจกพุทธเจ้ทาท่านก็เข้านิโรธสมาบัติอยู่ที่ภูเขาขันธามา ข, ขันธามาดอยู่ในป่าหิมพาน อยในกลุ่มของพระประเจกเอพอท่านออกจากนี้รอดรมาบัติแล้วท่านก็เออใครน้อยจะทําบุญกับเราเท่านก็สายเลดา้าดูเออทุกกะตะนี้คงจะทําบุญกับเราเขามีน้ําใจแต่เขาทุกจนแต่เขามีน้ําใจจากนั้นท่านก็เหาะมาจากทางนู้นเลยเอพอมาแล้วก็ลงห่างห่างแล้วก็เดินมาแบบธรรมดานะี ทุกขตะไม่เห็นแล้ว่าพระพุทธเจ้าพระปเจรพุทธเจ้าเหาะมานะท่านก็เดินมาตามปกติสวนทางไอ้ทุกขตะนี่ก็หามหญ้าพอหามหญ้าเห็นพระปเจกเดินสวนมาพอเห็นเท่านั้นแหละมันเข้าสู่จิตใจคล้ายๆกับวันลึกซึ้งในจิตใจพอเห็นพระปเจกพุทธเจ้าก็วางหามหญ้าลงพระปเจรพุทธเจ้าครับบินถ่านได้อาหารได้อยังครับผม พระเจ้พระปเจียท่านบินฑบาต ท, ท่านจะไม่พูดว่าได้หรือไม่ได้ใอ่ทุกตะชายหนุ่มคนนี้ก็เลยขอเปิดบาตรด้วยซิกระผมพระปเจีย ก, ก็เปิดบาตรให้ดูโอยบาตรเปล่าไม่มีอาหารเลยขอในบอนในบอนกระผมออทิ้งยาวอกไปในตัวเองก็เดินเข้ามาหาแม่บ้านแม่บ้านก็บอกาอาหารสําหรับผมยังมีอยู่ไหมมีแม่บ้านมีอยู่่ตเตรียมไว้อยู่ คือพอเตรียมอาหารเสร็จแล้วก็แม่บ้านก็กินของแม่บ้านส่วนของพ่อบ้านก็ใส่ถ้วยไว้แล้วก็เตียมรอให้พ่อบ้านกลับมาต่นน้พ่อบ้านมาเธอเนาเอาบ้านเอาอาหารมาให้ผมแม่บ้านก็เอาอาหารมาให้พอมาให้แล้วก็ใส่บาทพระประเจกพุทธเจา้าพระประเจกพุทธเจ้าต้เอาสักครึ่งหนึ่งก็พอละ ทุกขาตาไม่อาหารสำหรับคนคนเดียวพระเจ้าข่าครับผมใส่ถวายทั้งหมดพอพระเจก็เปิดบาตรทุกขาตาแล้วก็ใส่บาตรพอใส่บาตรเสร็จแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานในใจเลยนะด้วยบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญตักบาตรในคราวนี้ถ้าว่าเกิดข้าพระเจ้าเกิดในภพใดชาติใดคำว่าไม่มี คำว่าไม่มีที่ในสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการอย่าให้ข้าพเจ้าได้ยินในคำสิ่งที่ว่าไม่มีนะฟังดูสเิเป็นคำย่อๆแต่กินใจความมหาศาลเลยเรรเพระพุทเจกาพูดใเจ้าท่านมองดูอดีตอนาคตเพราะท่านมีญาณทัศน์นะพระพระเจก็ให้พรเอวังโหตุเอวังโหตุอหตขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จ สงความมุ่งมาตนปราถนาเน้เ อ, อจากนั้นพระปัิเจก็เหาเลยนาอาหารที่ชายคนนั้นไปก็แจกจ่ายถวายพระประเจกพู้พุทธเจ้าอยู่ในกลุ่มของท่านนี่แหละอันนี้ก็คือการทำบุญในคราวนะั้นเป็นครั้งที่ยิ่ยงใหญ่สำหรับท่านอนุอนุรุทธะแต่แตอนนี้เทวดาทั้งหลายพอพระ ทุกขตทาทำบุญนะนะอนุโมทนาสาธุพรอมกันสาธุสาธุปี้เทวดาอยู่ที่บ้านของเศรษฐีอยู่นั่นแหละอยู่ในละแวกนั้นเพราะทุกขตาเนี่ยไปอาศัยทีทท่ใกล้ๆบ้านเศรษฐีแล้กภายย่าขายแต่เทวดาอยู่ที่บ้านเศรษฐีอนุโมทนาแต่มองไม่เห็นตัวนะได้ยินแต่เสียงเศรษฐีก็ถามท่านเป็นใคร เทวดาบอกว่าเราเป็นเทวดาสิงอยู่ที่สถิตอยู่ที่บ้านของท่านนี่แหละเอา้าข้าพเจ้าทําบุญวันละหกแสนท่านเห็นไหมประตูซีประตูแล้วก็อยู่หน้าบ้านก็มีและอยู่กลางเมืองก็มีข้าพเจ้าทําบุญทั้งหกวัดวันละหกแสนกหาปณะนะท่านไม่เห็นเหรือทําไมทุกตะทำใบใส่ตักบาทวันเดียวเท่า น, นี้ก็ยัง เทวดาอนุโมทนาสาธุทําไมไม่สาธุกับข้าพเจ้าเนี่ยแหะเศรษฐีทวงเ อ, อว่าเทวดาเห็นแก่พักแก่พวกเ อ, อทําไมข้าพเจ้าทําบุญทุกวันทำไมไม่อนุโมทนาทําไมไม่เป่งเสียงอย่างนี้เทวดาป่าอูการทําบุญในคราวนี้เนี่ยเออมันพร้อมทุกอย่างพระปฏิเจ้าพุทธเจ้าก็อกอกจากนิโรธสมาบัติหาได้ยาก แล้วก็บทุกขตาเนี่ยก็อาหารของเขาก็เป็นอาหารที่บริสุทธิ์ที่เขาจะเลี้ยงตัวของเขาเองแต่เขาเสียสละถ้าเขาไม่ได้กินเขาคงจะหิวอย่างมากกว่านี้เพราะนั้นาการที่จะมีศรัทธาอย่างนี้อย่างเขาทำหาได้ยากเพราะนั้นเทวดาทั้งหลายจึงอนุโมทนาสาธุนะอพอพคูรนั้นเทวดาก็หายเงียบไป เ, เศรษฐีก็ เราควรจะเอาเงินไปซื้อบุญจากไอ้ทุกขะนี่วะจากนั้นก็นลงไปเลยท่าลงไปก็พูดนั่นพูดนี้เสร็จแล้วก็เอ้ยทุกขะทําบุญอะไรบ้างวันนี้โห้ยผมทําบุญกับพระประเจกแล้วหน้าตายิ้มแย้มแจม่แมใสเอิ่มเออเอออิ่มในจิตในใจมีความสุขมากเอ้ทุกขะอบุญที่ท่านท่านทำในวันเนี้ยผมขอซื้อได้ไหม แต่ถึงคตุกตาเนี่ยโอ้ยไม่ได้แล้วผมทําแล้วก็เป็นของผมสืบขายไม่ได้ล้องขายบุญเอาธนาผมจะให้สักพันกหาปณะนะขายให้ผมซะเพราะท่านกระทุกเนี่ยอท่านกระทุกก็ยากขนาดนี้เอาเงินไปใช้ดีกว่าไม่ใช่เหรอบุญไม่เห็นตัวนะบอกเอาเอาบุญให้ท่านแล้วก็เราก็ให้เงินไปละพันกหาปณะนะโอ้ยไม่ได้หมื่นกหาปณะนะแสนกหาปณะนะไม่ได้ถ้าจะให้ผม ถ้าให้ผมแบ่งให้เดี๋ยวพระปเจกพุทธเจ้ามาซะ ก, ก่อนผมจะถามท่านท่านนะบอกออแบ่งได้ให้ได้ผมจึงจะให้แต่ให้ให้ทั้งหมดไม่ได้นะทําไม่เพียงแต่จะแบ่งให้ท่านเองกี่เปอร์เซ็นตก็ว่ากันไปแต่จะให้ผมให้ทั้งหมดไม่ให้ไหมไม่ให้อแต่นต่อมาพระปเจกก็เห็นว่าทุกขตะคนนี้จะเป็นเศรษฐีได้แต่เนอเพราะอันนี้สงทานของเขาพระปเจกก็เดินมา ให้พกุพกตาเนี่ยเห็นเพราะพุกตานี่ก็เข้าไปกราบทําบุญเสร็จแล้วไปกราบพระปฏิพพเจกอีกแต่มาคราวนี้พระปฏิเจกท่านไม่ได้ออกจากนิโรธสมาบัตินะะการทําบุญก็ลดหย่อนจากครั้งก่อ น, นะนกระถามพระปฏิเจกว่าข้าพระองค์เก่าผมนี่ยจะแบ่งบุญให้กับเขานเขาจะแบ่งสมบัติให้เก่าผมจะได้บุญกุศลจะไม่หมดไปเหลือ กับผมจะสมควรจะแบ่งให้เขาได้ไหมหรือว่าไม่ไม่ควรแบ่งเออถือว่าพระปฏิเจกเป็นเจ้าของบุญใช่ไหมล่ะทุกขตาเนี่ยไปขอบุญเออพระปฏิเจกบอกว่าอืมทุกขตะถ้าเขามาแบ่งบุญเราก็อนุเราก็ให้เขาได้เหมือนกับเธอนะัอ่นแหลอมีไฟมีเทียนอยู่เล่มหนึ่งเอ่อเหมือเธอทาบุญกบเหมือนกับมีเทียนอยู่เล่มหนึ่งเออแต่คนอื่นเข้ามา ต่อเทียนมอต่อไฟเอาเทียนเล่มอื่นมาต่อมาขอต่อไฟจากท่านไปไฟของท่านมันบกพร่องไหมทุกขตาบอกไม่บกไม่บกพร่องครับผมยังเหมือนเดิมเออนั่นแหละบุญกุศลกับลักษณะอย่างนั้นแหละถ้าเขามาขอบุญเราเขามาขอแบ่งบุญกุศลเขามาซื้อหรือเอาแบ่งให้เขาหลดแบ่งให้เขาเลยนะอไม่อย่าไปคิดว่ามันจะหมดคาผม จากนั้นทุกตะก็เลยมาพูดกับเศรษฐีเศรษฐีท่านจะแบ่งบุญผมยินดีเพราะผมถามเจ้าของบุญแล้วท่านบอกไม่เป็นไรไม่บกไม่พร่องเศรษฐีก็ดีใจเออท่าอย่างนั้นผมขอแบ่งบุญกุศลให้กับท่านเพราะเทวดาเป่งเสียงสาธุ ก, การเเอา้าเราจะแบ่งครึ่งกันเลยเออสมบัติของเรานี่ออมีกี่โกด มีแปดจีบปวดเป็นพื้นอยู่แล้วแบ่งทั้งหมดแบ่งคนละครึ่งกันเลยเทุกกตะคนนั้นก็เลยได้เป็นเศรษฐีเป็นเพื่อนกันในชาตินั้นเออพอต่อมาจะไหนออกจากชาตินั้นก็ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าะอะไรจะไหนจากนั้นก็เวียนไหวตายเกิดสูงๆุ่งตำตำลุ่มลุ่มรอนรอนเศรษฐีเนี่ก็เกิดตายเกิดตายเหมือนกันอนุรุธธาเนี่ยก็เกิ ด, กดตายแตย่พระอนุรุธธาเนี่ยโดยมากจะเป็น จะเป็นเทวดาจะเป็นพระอินท์จะมากกว่าในพระไตรปิฎกนะเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นพระเวชจันทร์เนี่ยกระนี้นอนุรุทธะเนี่ยเป็นพระอินดโดยมากอนุรุทธะเนี่ยจะจะเป็นพระอินเออเป็นส่วนมากที่มาช่วยพระพุทธเจ้าแต่นี้ต่อมาเนี่ยมาชาตินี้เนี่ยอนุรุทธะเนี่ยมาเกิดเป็นลูกผู้น้องชายของพระเจ้าจุโฑธนะพระเจ้าจุโฑธนะคือพระบิดาของชิทธัตหะ คือพระพุทธเจ้าของเราคือเชื่อว่าเป็เจ้าชุตโทธทนาะแต่ว่าพระอนุรุท ธ, ธาเนี่ยเกิดมาเป็นน้องผัวสุโกธนะเนีเป็นน้องชายพระพุทธเจ้าพอ เ, เกิดขึ้นมากันเนเ่าายเป็นเจ้าฟ้าชายโอ้มีความสุขเพราะเป็นเจ้าฟ้าชายแต่นี้พอมาต่อมาลหลวงพ่อจะพูดแบบรบลัสรับให้ฟังท่านี้แต่หลวงพอออกบวชน่ยออกบวชกัออกบวชพร้ อ, อ, ก, อกับพระอานุน์ กษัตริย์ทั้งหออกบวชพร้อมกันตลอดพระเทวทัตบวชพร้อมกันนะบวชกับพร้อมกับพระอนุรุทธะพระอานุลกิมพริวัคคุปัตถยาบวชพร้อมกันได้สาเร็จเป็นพระรหารทั้งหมดยังเหลือแต่พระเทวทัตองค์เดียวไม่ได้สําเร็จนะแต่ลูกน้องคือพระอุบปรีพระอุบปรีก็ได้สําเร็จที่เป็นช่างตัดผมไปบวชด้วยกันในคราวนั้นแต่นี้พอพระอนุรุทธะได้สําเร็จเป็นพระรหารแล้วทีนี้ ท่านก็เล็งดูอดีตชาติของของท่านเออชาตเออิเก่าๆแก่ๆของเราเป็นไปยังไงมายัางไงท่านก็เล่งเล่ ง, ลงไปก็ไปเห็นสมัยเมื่อเราเป็นทุกขนะตะ เ, เพื่อนของเราเป็นเศรษฐีได้แบ่งทรัพย์สมบัติให้ให้เราในคราวนั้นเราก็ได้เป็นเศรษฐีมีเป็นเพื่อนที่ลักชนิดระลึลกถึงบุญคุณของเขาอย่างมาก แต่เดี๋ยวนี้เขาไปเกิดที่ไหนนาแน่นี่แหละการสร้างสั่งสมบัลมีมาด้วยกันผนะ้ะลูกผ้าหลานนาคทั้งหลายนะมันมันเกี่ยวเนื่องกันนะจุดนี้แหละจุดที่ว่าเมื่อสั่งสมบัลมีมันด้วยกันนะเอ๊ะเพื่อนของเราไปเกิดที่ไหนนานะ่ะพอเลงยานดูแล้วไปเกิดเป็นลูกของนายนายบ้านนายบ้านท่าน ถ้าจะเปรียบเทียบทุกวันนี้คล้ายๆว่าอยู่ในคันว่าเป็นป่าเป็นป่าที่ไฟไหม้ที่ตรงนั้น่ะก็คงจะเป็นเขาลักษณะตีนเขาใหญ่ลักษณะอย่างนั้นแหละถ้าสรงพอเปรียบเทียบนะเมืออมาเกิดเป็นนายบ้านเป็นหัวเมืองเล็กๆแล้วก็อยู่ในตีนตีนเขาใหญ่ลักษณะอย่างนั้นแหะแต่ในพระอนุรุทธากันคมองเห็นโอ้เพื่อนของเราเกิดเพิ่งแต่เจปีเท่า น, นั้นเองเนี่ยเยพระอนุรุทธาเนี่ย เป็นพระรหาณอายุยี่สิบกว่าแลยนะครับครบบวดแล้วบวช เ, เราควรจะไปโปรดเพื่อนของเรา เ, เสี่ยวของเราว่างานอ่ะแต่ได้ท่านอ น, อนุรุทธากัเหาะไปเลยเไปเหาะไปแลยกัเข้าใกล้ในหมู่บ้านเขาเดินเข้าไปพอไปเห็นพ่พอของ เ, อเด็กที่ไปเกิดใหม่ยสุมาณะสุมาณะ เ, เด็กเด็กชายสุมาณะ อะไรก็มหาสุมนณะ็จุลสุมนณะเคยมีน้องตะูกนั้นมีลูกอยู่สองคนอพอเดินเข้าไปท่านนั่นไอพ่อของสุมนณะเห็นพระ อ, อนุรุธทธาเน่ะโอ้ยเหมือนกับเป็นญาติโกโหติกามาตั้งแต่ดึกดำบันเลยเนี่ยนะคนที่มีอุปนิสัยสั่งสมบุญบา ร, รมีมาด้วยกันนะพอเห็นกันมันถูกชะตากันนะมันเข้ากันได้เลย ดันี้เห็นพระ อ, อนุรุทธะกับพ่ออกพอใจเจตนะก่อนขออนุโพระคุณท่านจําพรรษาอยู่ที่นี่พระ อ, อนุรุทธะไม่ปฏิเสธเออได้โยมท่านก็จัดเชนาชนะที่พักพาสายห่างไกลหมู่บ้านที่เหมาะสมท่านก็จําพรรษาพ่อปัญจาจำพรรษาเสร็จแล้วคือจุดมุ่งหมายก็คืออยากจะให้พ่อแม่ตระกูลของสุมาณะจูระสุมาณะนะเห็นว่า เป็นใครเราเป็นใคร ล, ลักษณะอย่างนั้นให้เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจไม่ใช่ว่าเขาจะมอบลูกให้ไม่ใช่ว่าอย่างทุกวันนะ่ะมอบลูกเอาไปขายอะไรทำยังไงลักษณะอย่างนั้นน่ะท่านก็ให้เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของตระกูลของเขาเป็นผู้มุ่งมั่นตั้งใจยังไงสอนศีลธรรมยังไงให้กับ ช, ชุมชนของเขาถ้าได้พ่อจับรันาเสร็จเรียบร้อยพ่อของมหาสุมณะกับสุมณะ ที่เป็นลูกชายสองคนน่ก็ได้มอบพวกผ้าขาวให้พวกอะไรให้พระอนุรุธทธะที่ท่านต้องการจะใช้อะไรก็มอบให้พระอนุรุธทธะพระโอมตอมาไม่ต้องการของเหล่านี้ตรงเพราะไม่มีกัปปิยทาลกคล้ายๆว่าไม่มีสัมมเนน เ, เป็นผู้ดูแลรักษาจะให้มาเก็บไว้รักษาได้ยังไงไม่เอาระยม ทางผู้พ่อที่อุปถาเนะี่ยเอา้าจะาอย่างั้นก็เอ า, เอามาหาจูละที่เป็นลูกชายคนโตไปก็ได้บวชเลยครับผมพระนรุ ธ, ธาบอกอืาอัตมาต้องการคนเล็กเนะ่ยเพราะว่าท่านมองเห็นแล้วเนะี่ยคือเสี่ยวของท่านในอดีตชาติใช่ไมละ่ะมาเกิดนะอายุเพิยงเจ็เจ็ดปีตนเองนะ่ะ อ, อัตมาต้องการนะจูละจูละกุ ม, มารเออทางาั้นเอาเลย ผมมอบให้อพออนุรุทธก็เลยเอามาเขามาวัดเลยแตทั้งที่ผู้ใหญ่ไม่เอานะเอาพวกกุเล็กนะอพอกุเล็กก็มาถึงแล้วก็เอาใส่ชุดเจียบร้อยแล้วเอานั่งเดี๋ยวเราจะปรงผมให้นะตั้งจิตให้ดีนะพิจารณาดูนะร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน เ, อเดี๋ยวเราจะปรงผมให้กําหนดผมและเกสาของไม่เที่ยงนะ เห็นไหมเราจะตัดผมออกให้นะ เ, เกซานะพอเอามีดโกนจดใส่ศรีศรษะเทานั้นแนหะผมขาดเพียงสามเส้นสุมาณะสมณเณรได้สําเร็จเป็นพระรหันต์แปลว่าได้เร็วที่สุดเลยอย่างงั้นแหละผ ม, ผมขาดเพียงสามเส้นอพอได้ยินเสียงผมแฉนะเท่านั้นแหละท่านเห็นอเนจังทุกขังอนาตาพระบุญบารมีของท่านบําเพ็ญมันนมนานแล้วเนะี่ย ท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระรหันต์เลยจากนั้นก็ได้บวชเป็นสัมมเนนเ่อบวชเป็นสัมเนนก็จากนั้นพาสัมเนนน้อยมากราบพระพุทธเจ้าอใหอกราบพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เห็นว่าโอ้สัมมเนนเป็นผู้มีบุญมากเป็นผู้สั่งสมมาก็เลยให้เป็นสัมมเนนเป็นพระในท่านเลยเป็นว่าเอหีภิกขุอุปสัมปทาเลยสัมมาเนนเป็นบวชเป็นภิกษุแต่อายุเจ็ดแปดขวบเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา ในพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่สององค์ที่ว่าได้ที่บวชเป็นในตำราที่ ท, ที่ที่เห็นมานะสององค์ที่ได้บวชแต่อานุอายุเจ็ดขวบนะบวชเป็นพระได้เพราะเหตุไรเพราะร่างกายของท่านเป็นเด็กก็จริงอยู่อายุเจ็ดขวบแต่ใจของท่านเป็นพระราหารนะ่ะใจของท่านเป็นพระมหาเถระนะ่ะเออไม่ใช่กายเป็นมหาเถระนะท่านยกเรื่องของใจเป็นพระมหาเถระนะ สุมาณะท่านเป็นพระมาหาเถระผู้ใจของท่านเป็นพระหันนี่แหละที่หลวงพ่อพูดเล่าเป็นนิทานชาดกมาในพระไตรปิฎกให้กับคณะทาญาิโยมพระเนนลูกหลานนาคทั้งหลายให้พกนาคทั้งหลายที่เข้ามาบวชในคราวนี้ครั้งนี้ให้ถือเสมือนว่าเป็นญาติธรรมของเราในอดีตที่พวกเราได้มาบาเพ็ญกุศลร่วมกันนี่แหละ ถึงอย่างไรก็ตามมาอยู่ด้วยกันต้องมีความอดทนนะเป็นพื้นฐานเพราะความรู้ก็แตกต่างกันตระกูลก็แตกต่างกันการเป็นอยู่ก็แตกต่างกันการทํามาหาเลี้ยงชีพก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเวลามาอยู่ด้วยกันต่างคนก็ต่างให้มีความอดทนให้มีขันติให้มีน้ําใจต่อกันนะะเ อ, อิดเฟื้อเ อ, อืออารีต่อกันถนะือว่าพวกเรากเหมือนกับภาษาลิบูเห็นไหมท่านเป็นเสื้อกษัตริย์กรุงกบิลพัท ท่านก็ยังไปให้ความสำคัญแก่สมณะสำมาเน็ที่ไปเกิดกับลูกนายบ้านอยู่ตีนเขาไฟไหมป่าไฟไหม้นีน่นะท่านก็จะให้ความสำคัญเพราะนั้นเราจะไปถือเป็นอย่างอื่นเป็นมืเป็นมิต เ, เป็นเพื่อนเพื่อนเป็นพักเป็นพวกอย่างหลวงพ่อเหมือนกันถึงพี่น้องลูกหลานจะมาในตระกูลไหนก็ตามหลวงถพ่อก็ถือว่า เ, ออเป็นญาติธรรมของหลวงพ่อ เป็นลูกหลานของหลวงพ่อให้มาประพฤติปฏิบัติทำลูกลูกหลานเนอะศรัทธาญาติโยมเนี่ยเป็นคนดีเนอะอันไหนที่มันไม่ดีอย่าทําอย่าคิดอย่าพูดในสิ่งที่นั้นพ่อหลวงพ่อไม่สั่งสมให้พวกเราทําความชั่วมีแต่แนะนําให้ลูกหลานทําความดีประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจไม่ถึงร้อยปีละต่างคนต่างตายละหลวงพ่อก็อีกไม่นานก็ตาย อลูกหลานอยู่ที่หลังกระเพราหลงพ่อนะ่เพราะอะไหรพอหลวงพ่อตายพหลวงพ่อเกิดคอนไงเพราะฉะนั้นตายแล้วหลวงพ่อได้อะไรได้แต่คุณงามความดีได้แต่บุญกุศลเท่านั้นติดใจิตใจไปร่างกายเนี่ยทิ้งทั้งหมดเพราะนั้นเราจะไปถืออะไรมากมายจนถึงหัวเด็ดตีนขาดนิดิดน่อยหน่อยก็ไม่ลดลาวาศอก <c oughs> ออมีแต่เอาแต่ยากจะให้จังใจตัวเองเอคิดว่าตัวเองจะอยู่โช่ฟ้าดินสลาย ตายไม่เป็นไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกหลานนะขอฝากไว้ผลนรกผลนรกคนในประเทศไทยทุกคนนะไม่ใช่แต่พวกเราเนี่ยนะให้ฟังไว้เกิดและตายแน่แนไม่เป็นอย่างอื่นก่อนที่จะตายควรจะประกอบคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจ น, นั้นนะเลิศประเสริฐถ้าเอาความชั่วไปแล้วตายไปแล้วเขาด่าทั้งบ้านทั้งเมืองมันไม่ดีนะลูกหลานนะศรัทธาญาติโยมทุกคนนะต่อ น, นี้ไปวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิด แนวหนึ่งสำหรับพวกเราคณะสัท ธ, ธา ญ, ญาติโยมลูกหลานลตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพร